ขณะเดียวกันท่านเองก็เจริญในคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็เพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาโดยปกติท่านก็ดำรงอยู่ในฌานและวิโมกภาคเพียงปฏิบัติอยู่ในฌานวิโมกดํดำรงมั่นอยู่ในสมาธิทำสมาบัติให้เจริญอย่างวสีภาวะชำนาในการเข้าอาันออกเป็นต้นจนถึงมีอภิญญาอันเป็นโลกิยะให้ถึงความชำนาบรรลุที่สุดแห่งปัญญาก็คือท่านท่านมีปัญญา ปกติแล้วเป็นผู้นี่มีทั้งสุตจินตะและภาวนามยปัญญาแต่ปัญญาเหล่านั้นก็บอกว่ายังไม่คมเป็นที่พอใจทำยังไงจะให้ปัญญาเหล่านั้นแหลมคมจนเป็นที่พอใจละเอียดลึกซึ้งด้อย่างพอใจก็เพิ่มฌานเพิ่มวิโมกเพิ่มสมาธิเพิ่มสมาบัตนะเพิ่มอภิญญาเพื่อจะทำกําลังแห่งปัญญาให้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดันั้นโลกิยะปัญญานั้นนะนะก็ต้องอาศัยภาวนาปัญญาคือมีปัญญาที่จะเจริญสมถะภาวนาจนได้โลกิยะอภิญญายานคืออะไรบ้างเช่นอิทธิวิทยายานที่แสดงฤทธิ์ได้ที่พระโสตธาตุยานยานที่มีหูทิพเจโตปรยานรู้วาระจิตของผู้อื่นปุพเพนิวาสารุสติยานระลึกชาติได้ที่พระจักขูญานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ต ยะถากรร ม, มูปะขายานยานที่อย่างรู้ในกรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายด้วยของตัวเองด้วยและอนาคตต่างสยานเป็นผู้ที่รู้อนาคตนะ ร, รู้อนาคตอย่างอย่างทําไมเขาจะเรียกว่าเมืองกบิลพัทเนะี่ยนะหรือเมืองกบิลพัทเนี่ยก็เนื่องจากฤษีไปอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะฤษีคือพระโพธิสัตว์ได้อยู่ตรงนั้นแล้วท่านรู้ด้วยว่าอนาคตเมืองตรงนี้จะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เขาบอก hey, ให้สร้างเมืองตรงนี้นะให้สร้างเมืองตรงนี้ มันก็เป็นคนที่เธอรอบรู้ในอนาคตว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเลยนะก็กําลังแห่งอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้มีหูที่ปร้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเห็นหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมรอบรู้ต่อไปว่าอนาคตเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะรอบรู้อนาคตนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เนื่องจากอาศัยฐานคืออภิน ญ, ญาสมาธิสมาบัติฌานวิโมก เป็นตัวที่ทำให้มีให้หนุนปัญญาให้มีกำลังอย่างแรงกล้าเมื่อปัญญาแรงกล้าขึ้นเท่าใดก็อบรมสะสมญาณเพื่อเพื่อให้เจริญปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและเป็นอุปนิสัยต่อไปแห่งโลกุตระปัญญาเนี่ยนะท่นสรุปว่าคุณธรรมเหล่านั้นตามที่ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะ ที่จะต้องการเพิ่มภูนทั้งสุตามายะปัญญาจินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาจนได้อภิญญาทรรมกิจรอบรู้ทั้งหลายได้เนี่ยเบื้องต้นต้องทำยังไงท่านก็บอกว่าชั้นแรกเลยต้องสะสมในการเรียนรู้ก่อนเนี่ยนะสะสมความรู้ความเข้าใจให้เพียงพอนะเรียนให้พอสอบถามในความรู้ที่เป็นพื้นฐานเรียนวิชาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นขัน อาญาตนะธาตุอินทรียสัจจะปฏิจจสมุปาทเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งโครจรแห่งภาวนามยปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณาวิสุทธิเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นแดนโครจรแห่งวิปัสนาปัญญาทั้งหลายที่นี้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอที่จะวิจัยสิ่งเหล่านั้นได้ย้อนกลับมาหาวิสุทธิที่เป็นรากคือศีลวิสุทธิกับ จิตตวิสุทธิเนี่ยนะศีลที่เป็นเหมือนกับรากแก้วหรือสมาธิเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นตัวที่ตั้งมั่นนั้นศีลทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นรากฐานที่ทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เจริญวิสุทธิทั้งห้าอีกที่เป็นร่างให้สมบูรณ์เจริญที่ถิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นเห็นว่าสัพพาสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเห็นว่าทั้งหมดเลยในโลกนี้คือสังขารธรรม เห็นว่าเป็น2ก็คือนามกับรูปเห็นเป็น3ก็คือที่ตั้งแห่งเวทนา3เห็นเป็น4ก็คืออยู่ด้วยอาหาร4ี่ประการขยายออกมาก็คือขัน5เป็นไปตามอายตนะ6ปฏิสนธิตามวิญญาณทิติ7ดเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยต้องรับกระทบกับโลกธรรมทั้ง8อยู่ในภูมิเป็นที่อยู่คือสัตววาด9อายตนะที่เป็นโลกยะก็มีอายตนะ10ขยายออกไปก็เป็น อายตนะ12ถ้าแบ่งเป็นหมวดธาตุทั้งหลายก็คือธาตุสิเนี่ยนะจนมีความเห็นที่เข้าใจอย่างพื้นฐานอย่างดีแล้วก็ข้ามความสงสัยว่าทั้งอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็คือขันอายตนะธาตุนั่นแหละอดีตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยอนาคตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยปัจจุบันก็ขันธาตุอายตนะและ ปัจจัยพิจารณาไปเท่าใดสติปัญญาก็แหลมคมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดปีติปราโมทเข้าใจได้เลยว่าปีติปราโมทเป็นต้นไม่ใช่ตัวมรรคผ ล, ลก็เลยปฏิบัติอยู่ในอนุปัสนาทั้งหลายอ บ, บรมอนุปัสนาทั้งหลายซึ่งเป็นปฏิปทายานนณทัศนะวิสุทธิเป็นญาณเครื่องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลอนุปัสนาทั้ง7ที่เจริญบริบูรณ์ ยานทัศนวิสุทธิคือโซดาปฏิมักเป็นต้นก็บริบูรณ์พันวิธีการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะท่านก็กล่าวบอกว่าใครต้องการรายละเอียดนะศึกษาวิสุทธิมักนะเพราะวิสุทธิมักกล่าวทั้งศีลสมาธิและปัญญาเรียกว่าศีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศเนี่ยนะท่านก็ถ้าดูรายละเอียด แต่ว่าในวิสุทธิมรรคทั้งศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศโดยมากเรียบเรียงเพื่อสาวกแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาตามในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเรียนวิสุทธิมรรคด้วยใจกรุณาเพื่อที่จะช่วยปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายเขาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดผิดศึกษาวิสุทธิมรรค เพื่อแนะแนวทางให้เป็นความปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะคืออย่าลืมว่าอย่างพระพุทธศาสนาทั้งหลายถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้โดยมากทรงพระไตรปิฎกเมื่อท่านทรงพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือวิสุธทธิมรรคนั่นแหละนะวินัยก็คือศีลพระสูตรก็คือสมาธิ อภิธรรมก็คือปัญญาก็เนะแนวในศีลสมาธิปัญญาบอกวิธีปฏิบัติเพื่อทำโสดาปิตผลให้แจ้งสกขาคามีผลเป็นต้นให้แจ้งด้วยใจที่กรุณาเพิ่มพูนกา ร, รกา ร, รนะว่าธรรมขนะัคคณการกล่าวธรรมเนี่ยนะการกล่าวธรรมของตัวเองให้ชำนาญให้บริบูรณ์ด้วยมีใจกรุณามุ่งปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเนี่ยนะ พ, พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อบรมสมถาวิปัสนาต์อยู่ในแค่ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิเท่านั้นคือเรียกว่าอนุปัสนาเจบริบูรณ์แต่ไม่ถึงอริยมรรคเธออย่างไงก็ไม่ถึงโคตรภูยานและก็มักขยานเพราะท่านจะหยุดแค่สังขารุเปกขายานเนี่ยนะหยุดแค่ไม่ยอมให้มครควิถีเกิดขึ้นหรือมครควิถีไม่ยอมเกิดเพราะอะไร เพราะใจมันคล้องที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นก็ได้เรียกว่าโพธิสัตว์เนี่ยนะคล้องอยู่ในโพธิญาณจนไม่เหลียวแลสนใจสาว ก, กโพธิญาณไม่สนใจในปัจเจกับโพธิญาณมุ่งแต่สัมมาสัมโพธิญาณไอ้ใจที่มุ่งอย่างนั้นก็เลยบอกว่าอันนั่นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาบรรลุแบบนี้ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาเพราะจะเอาแบบนั้นอะ เหมือนกับว่าอย่างคนที่ต้องการแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะให้แสงไฟเท่ากับแสงสปอตไลท์แสงนีออนแสงอะไรยังไงก็ไม่เอาจะโคเอาเท่าดวงอาทิตย์นะ่ะถ้าสว่างเท่านั้นจึงจะเอาถ้าสว่างน้อยกว่านั้นไม่เอาพันท่านต้องการเพิ่มปูนแต่สติและปัญญามุ่งที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์เนี่ยนะ อนนเพราะพระมหาสัตว์คือพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณพึงเป็นผู้ประกอบความขวนขวายตลอดการความขวนขวายก็คือคนขยันนั่นแหละภาคเพียรพยายามตลอดการเพื่อให้บารมีเต็มบริบูรณ์เกี่ยวเนื่องกันไปนี่แหละเกี่ยวเนื่องกันไปคือถ้าอย่างว่าถ้าไม่ภาคเพียรจริงๆเลยนะไม่ใช่คนขยันเนี่ยจะมีอาอะไรมาให้ทานเอา ให้หน่อยหนึ่งก็หมดแล้วเพราะนั้นจะต้องเป็นคนที่ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพจนเพียงพอที่จะมีทรัพย์ให้ทานได้บ่อยและต่อเนื่องอย่างนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถามว่าไม่ติดพันในโภกทรัพย์เหล่านั้นยังรักษาศีลได้อะเนี่ยยังรักษาศีลได้แล้วก็มีใจน้อมออกจากวัตฏะทั้งหลายเนี่ยนะด้วยการเจริญเนคขมะรอบรู้ในเหตุในผลรอบรู้โดยประการทั้งหมด จเจริญปัญญาแบบผู้ที่มีปัญญารอบรู้และภาคเพียนขวนขวาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเพื่อให้บารมีเนี่ยเต็มเปี่ยมก็คือสร้างท า, ใทา น, ทานให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อศีลให้ทานเพื่อสมาธิให้ทานเพื่อปัญญารักษาศีลเพื่อเพิ่มภูณบุญเรื่องทานรักษาศีลเพื่อศีล ร, รักษาศีลเพื่อเนคขัมมารักษาศีลเพื่อ อบรมปัญญาเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อ น, นุนบุญนุนบุญเพิ่มพูนบุญอยู่ตลอดเวลาเพิ่มเรียกว่าเพิ่มบารมีเพิ่มพูนพุทธการการกรมเพิ่มพูนธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาพระพูธิสัตว์จะพิจารณาทุกวันว่าวันนี้เราสะสมบุญญะสมพานอะไรมั่ง สะสมบุญอะไรไว้บ้างวันนี้วันนี้ทําบุญอะไรบ้างนะคำถามประเภทนี้จะมีอยู่ตลอดวันนี้ได้บุญอะไรบ้างทําบุญอะไรบ้างพอไหมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเจริญวันนี้เท่านี้แค่นี้เมื่ อ, อไหรจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นคนพวกกระหายบุญว่างั้นนาะสั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลาที่จะเพิ่มภูนบุญให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ยังคิดว่าวันนี้เราสะสมความรู้อะไรบ้างมีความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมความรู้เก่าที่มีอยู่มันแตกฉานเพิ่มพูนขนาดไหนความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยนะฉั้นก็เลยเรียกว่าคุณธรรมสองอย่างคือบุญญาญาณสัมภาระสะสมบุญและสะสมปัญญาเพื่อให้บุญและปัญญาเหล่านั้นน่ะเจริญ ง, งอกเงยงอกงามยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไป อันนี้นี่เรียกว่าพิจารณาประโยชน์ตนพิจารณาประโยชน์ตนว่าเราจะเพิ่มพูนบุญเพิ่มพูนยานอะไรบ้างในวันนี้หรือวันนี้เนี่ยเราได้เพิ่มบุญเพิ่มปัญญาอะไรบ้างนี่ในที่หนึ่งในที่สองถ้าเกี่ยวกับคนอื่นเราจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรดีนนะเราจะช่วยเหลืออะไรเขาบ้างมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นบ้างทำความอุตสาหะเพื่อประโยชน์แก่ สัตว์ทั้งหลายก็คือน้อมว่าจะช่วยให้ประโยชน์ในโลกนี้เขาสําเร็จได้อย่างไรช่วยให้ประโยชน์ในโลกหน้าช่วยให้เขาสําเร็จประโยชน์อย่างยิ่งได้อย่างไรก็อุตสาหะเพียรเพื่อประโยชน์แห่งสัตว์อื่นพระโยคาวจรคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่มีใจคํานึงถึงร่างกายและชีวิตสละวัตถุอันเป็นที่หวงแหนของตนเพื่อจะช่วยสัตว์แม้ทั้งปวงเนี่ยนะเรียกว่าวแม้กระทั่งว่าไม่อะไรในร่างกา ย, ยอย่างบางชาติใช่ไหม ให้ทานแล้วก็ไม่คํานึงแล้ว่าจะตัวเองจะกินอะไรมาให้ไปก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีนึ่งะนะขอให้ได้ทําบุญก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าท่านท่านห่วงเรื่องบุญมากท่านห่วงเรื่องบุญให้ความสําคัญในเรื่องบุญเรื่องกุศลมากแต่อย่าลืมนะว่าไอ้ของเหล่านี้หมายหมายถึงของของตัวเองนะไม่ใช่ว่าให้เสร็จแล้วครอบครัวเดือดร้อนภริยาเดือดร้อนค่าทาากรรมกรเดือดร้อนไม่แต่หมายคือว่าอะไรที่เป็นของส่วนตัวจริงๆอะ จะไม่คำหนึงไม่อะไรไม่อาวร์ไม่เสียดายเออแล้วร่างกายเราจะเป็นยังไงแล้วชีวิตต่อไปของเราใครจะเลี้ยงดูเป็นต้นท่านจะไม่สนใจท่านจะไม่สนใจอะไรสักอย่างน้อมไปว่าจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรเท่านั้นเองแค่ว่าเป็นกลุ่มที่เรียกาอุทิศชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่ใช่อุทิศชีวิตเดียวเนี่ยนะนะอุทิศชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติดีพบต่อกี่พบเนี่ยนะนะ หรือท่านทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำกรรมด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งบุญกุศลเหล่านั้นน้อมไปในสัมมาสัมโพธิญาณถ้าพูดถึงว่าอย่างสมมติสัมโพธิญาณ น, นี่เหมือนทะเลสมมติบุญแต่ละอย่างเหมือนกับเม็ดฝนที่ตกบนยอดเขาเพานฝนแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็หยดเพื่อจะมาเป็นเรียกว่ายัาง ที่ดอนให้มันน้ําชุ่มที่ดอนน้ําชุ่มก็ไหลมาลงที่ลุ่มที่ลุ่มก็น้ําก็เต็มเปี่ยมเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังน้ําบ่อน้อยๆให้เต็มยางน้ําบ่อใหญ่ๆให้เต็มแล้วก็สายน้ําที่ท่วมแล้วก็ไหลไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็จากแม่น้ําน้อยเพิ่มมาเป็นแม่น้ําใหญ่เป็นมหาแม่น้ำเรียกมหา มหาแม่น้ำเนี่ยนะเป็นน้ำใหญ่ก็ไหลไปสู่ทะเลโดยส่วนเดียวฉันใดบุญกุศลแต่ละอย่างที่ท่านทำท่านก็เหมือนกับว่าทำเม็ดฝนเนี่ยนะเรียกว่าสร้างเมฆเพื่อให้มีเม็ดฝนที่จะก็แล้วก็ขูดร่องเพื่อจะให้ไหลไปสู่ทะเลคือโพธิยานเนี่ยนะทะเลที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันบุญแต่ละชาติแต่ละภพนั้น จึงหาประมาณไม่ได้จึงไม่อาไยอาวรมุ่งบุญมุ่งกุศลมุ่นคเรียว่าทุ่มเทม ท, มทุกอย่างเพื่อเพื่อบุญถ้าพูดนะว่าว่าถ้าเราคิดอีกในหนึ่งนะพระโพธิสัตว์คือใครคือพวกที่เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจที่เป็นบุญตัวเองเข้าว่าอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นเป็นหลักลนะเรื่องอื่นอะไรก็จางมันเถอะเอาแต่ใจที่เป็นบุญของตัวเองเป็นหลัก แต่อย่างในโลกนี้คนคนที่เขาทําอะไรทุ่มเทนี่ทําเยอะนะทุ่มเททั้งร่างกายทั้งชีวิตแต่ไม่รู้ทุ่มเทเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางทีทุ่มเทเพื่อสร้างสิ่งสักสิ่งหนึ่งทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสนี่ทุ่มเทเป็นชีวิตจิตใจเลยเหมือนกันแต่ท่านเหล่านั้นคือผู้ที่ทุ่มเทบางกลุ่มทุ่มเทเพื่อรูปบางคนทุ่มเทเพื่อเสียงบางคนทุ่มเทเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อโพธพภพแต่พระโพธิสัตว์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อใจ เพื่อใจที่เป็นบุญแต่น้อมใจที่เป็นบุญมุ่งต่อโพธิญาณเนี่ยนะมุ่งไปต่อสัมมาสัมโพธิญาตรัดสรู้เรียกว่าญาณที่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยเป็นญาณที่ยิ่งใหญ่จริงๆญาณที่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ญาณที่ละสิ่งที่ควรละญาณที่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งญาณที่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญแล้ว เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยยานะนั้นยิ่งใหญ่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิยามที่ยิ่งใหญ่มากมันบุญกุศลทุกอย่างเนี่ยสะสมเรียกว่าเก็บหอมรอมริบทีละบาททีละสตางค์เพื่อจะเอายานะนั้นนะ่ะเหมือนกับใครอยากจะซื้อเครื่องบินเนี่ยนะเรียกว่าเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะซื้อเครื่องบินลําใหญ่ๆสักลำหนึ่งที่ขนคนเนี่ยออกไปทีละหล้านคนเนี่ยลำใหญ่ขนาดนั้นนะขนทีหนึ่งหัว ที่จริงถล้านคนเนี่ยนะบรรน้อยเพราะบางสูตรพระพุทธเจ้าแสดงแล้วบรรลุสิบโกดบางสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ที่จะขนคนข น, ขนได้หนึ่งก็เอาขนได้ร้อยก็เอาคนได้หมื่นได้แสนได้ล้านได้กี่สิล้านได้กี่โกดก็เอาขนได้หมดยานของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพะะนันเขาเรียกว่าสะสมที่เรียกว่าถ้ามองเป็นบุญแต่ละอย่างเหมือนกับเม็ดเงินเนี่ยนะท่านสะสมอย่างมากมายมหาศาลเพื่อสะสมสัมโพธิญาเนี่ยนะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้น้าตรัสรู้ตามเนี่ยนะแสดงว่าสิ่งนั้นนี่ยิ่งใหญ่ดีมากเยี่ยมขนาดถึงทุ่มเทขนาดนั้นเนี่ยนะอย่างบางคนเขาบอกทุ่มเทจนตายก็ถือว่าสิ่งนั้นยิ่งใหญ่นี้ท่านตายแล้วกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้ถมไม่พอเนี่ยนะสะสมกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทํากรรมทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะโดยพื้นฐานแล้วมีจิตใจพ้นจากกามทั้งหลายที่ยิ่งและยอด หมายความว่าไม่ให้ความสําคัญกับวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยนะคือชีวิตของท่านไม่ใช่ไม่รู้จักวัตถุกรรมแต่รู้จักวัตถุกรรมแต่ไม่ได้มุ่งที่จะเสวยความสุขอยู่กับวัตถุการมโดยมากก็เอาวัตถุกรรมเหล่านั้นมาทําบุญอย่างวัตถุที่น่าปรารถนาก็คืออะไรก็คือร่างกายอ่ะรา่างท่านก็ยังเอาร่างกายไปทําบุญรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าปรารถนาอย่างบางคนเนี่ยสะสมมากเก็บหอมรอมริบจนแต่ท่านเอามาขนทาบุญหมดอย่างเงี้งนะ เรืว่าเป็นพวกที่น้อมไปเพื่อทำบุญอย่างพูดถึงนะจริยาปิดกเนี่ยพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่ให้สาวกทั้งหลายไปเจริญเยี่ยงยอยตามแต่ให้ฟังเพื่อจะได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ธรรมเช่นนี้นะจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้อาศัยเป็นแนวทางเป็นร่องเป็นรอยที่จะ ปฏิบัติตามนการศึกษาจริยาปิดกของเราทั้งหลายก็ได้อาศัยเหตุผลหลายประการประการหนึ่งก็คือรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทําอะไรบ้างและพระองค์คิดอะไรบ้างตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์คิดอะไรบ้างก็จากศึกษาคัมภีูทานนั่นแหละคือความคิดของพระพุทธเจ้าหลายๆอย่างเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วาการศึกษาเจริยาปีดกศึกษาชาดกเป็นต้น เพื่อให้รู้ว่าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดอะไรและท่านมีหลักการอย่างไรมีข้อปฏิบัติแต่ละอย่างเป็นอย่างไรทำทุกอย่างมีเป้าหมายชัดเจนแค่ไหนเนี่ยนะมุ่งอะไรกันแน่จนไม่สนใจอย่างอื่นจนไม่รู้ไม่มองว่าสิ่งอื่นหรือสิ่งทั่วทไปเป็นของที่น่าติดหน้าข้องหน้าสแสวงหาหน้าปรารถนาหรือหน้าต้องการเนื่องจากว่าท่านมองทุกอย่างเนี่ยน ะ, ะเพื่อบารมีก็ เ, เลยไม่ได้สนใจว่า อดอกไม้จะงดงามขนาดไหนและจะติดจากข้องฉันใดใจของท่านก็เป็นฉันนั้น น, นะนะสรุปว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์โยคาวจรเนี่ยนะเข้าไปตั้งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแล้วปฏิบัติในบารมีทั้งปวงที่ควรทำเนี่ยนะก็รู้รู้วิธีการทำบุญโดยเฉพาะบารมีสิบอย่างหาประมาณไม่ได้ท่านบอกว่าเพ่งปรารบความเพียรในประโยชน์ ของสัตว์นั้นๆเขาเรียกว่าปรารบความเพียรในประโยชน์ของสัตว์นั้นๆคาว่าประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย ถ, าถ้าแบ่งออกไปแล้วเนี่ยนะประโยชน์มีอยู่2กลุ่มด้วยกันประโยชน์ทางโภอข้ศัพย์กับประโยชน์ทางอริยทรัพย์เนี่ยนะทำไงสัตว์เหล่าเอื่อจึงจะเพิ่มภูมเต็มเปี่ยมด้วยโภคท้ัพย์เนี่ยนะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คิดให้แต่คนอื่นได้อริยทรัพย์นะท่านคิดอยู่เสมอว่าคนอื่นจะ บริบูรณ์ด้วยโภคข้ศัพย์ได้อย่างไรคนอื่นจะเพิ่มบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพสมบัติเป็นต้นได้อย่างไรเนี่ยนะท่านคิดอย่างนั้นนะไปดูในลักษณะสูตรเนี่ยรู้ว่าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างมากว่าประชาชนทั้งหลายจะเจริญเพิ่มพูนมีความสุขด้วยภคโโขสมบัติทรัพสมบัติทั้งหลายได้ อย่างไรขณะเดียวกันสัตว์ทั้งหลายจะมีอริยทรัพย์ได้อย่างไรทฉไหงเขาจะเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยฮิริโอตปะสุตะจาฆะและปัญญาเนี่ยนะทีนี้ไอการทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะจะต้องมีความอดกลั้นในสิ่งทั้งปวงทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนามันต้องทนมากเลยนะเขาบอกว่าทําทุกอย่างเนี่ยนะให้ทานก็เพื่อให้คนอื่นมีความสุข รักษาศีลก็เพื่อป้องกัน ร, รักษาความสุขให้แก่สัตว์อื่นช่วยให้สัตว์อื่นมีความสุขเจริญเนฆัมมะก็เป็นการช่วยสัตว์อื่นอย่างตรงๆงเลยแหละแล้วก็อบรมปัญญาก็เพื่อให้มีปัญญาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้สําเร็จประโยชน์ภาคเพียรพยายามก็เพียรเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วถามว่าชีวิตของผู้ที่ทําอย่างนี้ประสบแต่สิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาบอกชีวิตก็ต้องคละเคล้ากันไปทั้งสุขและ ทุกสิ่งที่ไม่น่าปรารถ contents, นานํามาซึ่งความนะความทุกข์สิ่งที่น่าปรารถนานํามาซึ่งความสุขโดยปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนาก็ติดหนับอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็โมจะโอดครวน <ตะ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยไม่ได้ทําบุญเนี่ยนะเลยไม่ได้สร้างบารามีต่อไปท่านก็บอกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาก็ไม่ยังจิตของท่านให้ติดข้องสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางในการเจริญ บารมีก็มีความอดทนได้ น, นะนะและพูดปรารบความเพียนนี่เป็นวิริยะบารมีใช่ไหมอดกลั่นเป็นขันติบารมีไม่พึงพูดผิดความจริงเนี่ยนะก็คือคาพูดพูดคาไหนก็เป็นคำนั้นเพราะว่าทุกคาที่ท่านพูดท่านคิดมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะท่านพูดอะไรพูดว่าจะให้ทานพูดว่าจะรักษาศีลพูดว่าจะเจริญเนคขมมะ อบรมปัญญาภาคเพียรอยู่ด้วยวิริยะท่านจะต้องอดทนได้คําพูดเหล่านั้นจึงเป็นคําพูดที่ไม่ผิดเป็นคําพูดที่จริงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะน้อมนําประโยชน์และความสุขเข้าไปให้สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่ประโยชน์และความสุขไปให้แก่สัพพะสัต์ทั้งหลายด้วยใจที่กรุณาเนี่ยนะมุ่งทนะําำไฉสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากความทุกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอะไร เมตตาบารมีลักษณะของเมตตาก็คือมุ่งบำบรงความสุขด้วยกรุณาก็บำบัดความทุกข์ทั้งปวงออกไปสุดท้ายบอกว่าอุเบกขาการเกิดขึ้นแห่งทุกขอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีแก่เหล่าสัตว์หวังการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งปวงนั้นไว้กับตนเอาทุกข์ของคนอื่นมาเป็นทุกข์ของตนเอาภาระของผู้อื่นกระว่าไปเที่ยวขอรับภาระคนอื่นทั่วไปหมดเลยนะ เราวรับภาระแห่งสัตว์อื่นเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเก็บมาไว้ในใจตนว่าเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นก็เอามาไว้ในใจตนว่าทำชนไหนเราจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยนะเรียกว่าบางทีเนี่ ย, นยเห็นคนอื่นป่วยเขาบอกคนนี้ป่วยมา ก, กคนนั้นอีกเพราะอะไรเพราะคิดว่าจะทำยังไงให้พ้นจากความป่วยเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นคนที่รู้จักความป่วยและรู้จักวิธีรักษาความเจ็บป่วยจึงรอบรู้กว่าคนป่วยเขาบอกงั้น ที่นี้ท่านก็เป็นคนที่ทำบุญมากขณะเดียวกันก็ไม่ได้เย่อหยิ่งพยองถึงใครทำบุญแล้วก็ไม่รู้จักอนุโมทนาแต่เป็นผู้ที่อนุโมทนาในบุญของสัตว์ทั้งพวง ก็คืออนุโมทนาในบุญของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เคยมีมาแล้วเนี่ยนะอนุโมทนาในบุญของพระประเจกพระพุทธเจ้าอนุโมทนาในบุญของพุทธสาวกทั้งหลายอนุโมทนาในบุญของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบอนุโมทนาบุญไม่ว่าเขาจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอ่อนน้อมช่วยเหลือกิจการงานที่ไม่มีโทษอันนบุญที่เกิดจากอุทิศส่วนกุศลบุญที่เกิดจากอนุโมทนา แสดงทมฟังทมทำความเห็นให้ตรงก็คืออนุโมทนาทุกบุญยะกิริยาวัตถุทั้งสิบเนี่ยนะเห็นสัตว์เราเอื่นกระทำบุญใดๆที่เคยทำมาในอดีตหรือในปัจจุบันก็อนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดที่สัตว์ทั้งหลายทำ เรียกว่าบันเทิงในบุญของคนอื่นบันเทิงในทานนะักกุศลของคนอื่นบันเทิงในศีลบันเทิงในสมาธิบันเทิงในปัญญาถ้าเขาได้บรรลุโสดาปติมัค ก, ก็ยิ่งดีใจไปกับเขาเครียกว่าอนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีซึ่งตรงกันข้ามเพราะไม่ใช่เป็นคนที่มีใจมักรรษยานี่นะว่าคนริษยานี่เห็นคนอื่นบอกว่าบางคนนี่ทําบุญในเห็นคนอื่นทําบุญมากกว่านี่เริ่มเริ่มเครียดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองริษยา แต่นี่เพิ่มีแต่อนุโมทนาวะดีแล้วดีแล้วสาธุและอีกในหนึ่งท่านบอกว่าพิจารณานเนืองเนืองซึ่งความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอนุภาพมากก็ก็แสดงว่าจิตใจของท่านโคจรไปในพุทธคุณซะส่วนใหญ่เนี่ยนะโคจรในปุพระจริยาคุณในสรีระคุณและอรหันตคุณเป็นต้นหรือโคจรไปในพุทธกิจทั้งหลายโคจรไปในพุทธานุภาพต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ กระทำกรรมใดๆด้วยกายด้วยวาจากรรมนั้นทั้งหมดมีจิตน้อมไปเพื่อโพธิญาณเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะเบื้องแรกก็คือเบื้องหน้านั่นแหละเหมือนกับว่าคนเดินทางที่มีจุดหมายเนี่ยนะเทว่าก้าวทุกเก้ามีเป้าหมายฉันใดบุญทุกอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านทําก็ฉะนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือโพธิญาณด้วยอุบายนี้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มหาสัตว์ประกอบด้วยขวนขวายในทานเป็นต้น มีเรี่ยวแรงมีความเพียรบากบันสะสมบุญสะสมญาณสัมภาระหาประมาณไม่ได้ ท, นนนะ ท, ทุกวันน่ยนะทุกๆวันนั้นบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่นับประมาณไม่ได้เครียกว่ามีค่าหาประมาณไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันที่สะสมเนี่ยนะจนตลอดชีวิตชีวิตแล้วชีวิตเล่าที่สั่งสมบุญหาประมาณไม่ได้จริงๆถ้าบุญทํามาเล็กน้อย ผลของบุญมันก็เล็กน้อยเมื่อสั่งสมบุญหาประมาณไม่ได้ผลของบุญก็เลยหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะก็สะสมบุญที่หาประมาณไม่ได้เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้